ฟังทมต่ออีกสัก3ามสิบนาทีก็ย้ำมเตือนกันแว่ามีส่วนลูกในการปฏิบัติธรรมกับทุกท่านทุกลูปทุกตามจีวิตเราก็เหมือนกันนั่นแหละมีกายมีใจมีรูปมีดามปัญหาก็เหมือนกัน เกิดขึ้นที่กายที่ใจเกิดแบบขึ้นที่รูปที่นามการเชื่อปัญหาก็เชื่อที่กายที่ใจที่รูปที่นามต้นต้นปัญหาคือภาวะที่หลงถ้าหลงก็พาไปให้เกิดทาผิดผิดเป็นทุกข์เป็นโทษตวะที่เชื่อ ต้นเหตุก็คือไม่หลงมีสติก็พาให้ไม่มีทุกข์มีโทษจะต่างกันตรงนี้ชีวิตลองอ้าอื่นเหมือนกันหมดไม่เที่ยงเป็นทุกข์เหมือนกันามมันลักษณะแต่มันจะไม่เหมือนกันตรงที่มีภาวะที่หลงมีภาวะที่รู้ ถ้าหลงเป็นหลงบางคนก็หลงเป็นหลงบางคนหลงเป็นรูปบางคนทุกข์เป็นทุกข์บางคนก็ทุกข์ไม่เป็นทุกข์มันเปลี่ยนได้ลองบางคนโกรธเป็นโกรธไม่ต้องโกรธแต่เวลาเป็นโกรธนั้นเปลี่ยนได้เป็นดีได้เรียกว่าปฏิบัติธรรมถ้าไม่เปลี่ยนลัทธ ก็อยู่เช้นนั้นเป็นการบ้านเป็นจำเลยตัวเองเป็นโจดตัวเองทำตัวเองเป็นจำเลยตัวเองเป็นความทุกข์เพควองคิดตนเองเป็นความทุกข์กพราะคอยกองวลเองก็ไม่เคยมีสติไม่เห็นความคิดปล่อยความคิดไหลไป เป็นสุขเป็นทุกข์พวงคิดมีมากแต่ถ้าเรามีสติดีไม่ยอก <c oughs> เปลี่ยนเรามันคิดก็รู้สึกตัวยังไม่เป็นสุขยังเป็นทุกข์ไม่ถึงสุขไม่ถึงทุกข์พอจะสุขจะทุกข์พอใจไม่พอใจก็ถอนออกมามีสติ ถอนความพอใจและความไม่พอใจออกมาอย่าให้มันมีลากถ้าไม่ถอนมันจะมีลากมันจะงอกงามถ้าเหมือนงอกงามก็ยึดชีวิตเราได้เป็นจริตนิสัยโทสะจริตโมหจริตราข้าจริตเ ร, ร า, า จ, รจึงมีหน้าที่ปฏิบัติธรรม ดูแล้ตัวเองปฏิบัติธรรมคือดูแลตัวเองให้บนคูุ <Okay. S 1> มันก็มีไม่มากมีกายมีใจเกิด <Okay. S 1> ขึ้นที่นี่เท่านั้น <Okay. S 1> ถ้ามีสติก็ <Okay. S 1> รอบลู้ได้ <Okay. S 1> ไม่เอาตาเรื่องเป็นสภาวะที่เห็นได้ <Okay. S 1> แต่ถ้ามีสติมันลูล้รอบได้เงิน <Okay. S 1> ทองตาก็ลู้ได้ว่าททางหูก็ลู้ได้ ทางจมูกก็รู้ได้ทางลิ้นทางกายทางใจรู้ได้แต่ก่อนส่วนมากมันค่อยมีแต่ว่าอันนี้ปล่อยให้มันเป็ น, นเนถื่อนๆกายก็เถื่อนใจก็เถื่อนสมสอน <Okay. S 2> อะไรจรมาก็เล่เป็น <c oughs> เป็นไปกระมันได้โฉกก็มาเป็นโุก ส, สอนแล้วรับใช่แล้วถ้าเป็นทุกข์มาเป็นทุกข์ก็ว่ารับใช่ตาคันตุกับตอนรับตอนมีสติเป็นเจ้าของให้ต้อนรับก็ได้ถ้าตอนรับมก็มาบ่อยตอนรับต้มีสติถ้ารู้จึกเรียกได้มันก็ จุดแค่นั้นบอกขึ้ร์นบอกเคิร์นแค่นั้ น, นไม่ก้าร่วงเห็นคนละอังกันอันสุกอันหนึ่งอันไม่สุกอันนางเห็นมันสุกแต่ไม่ไม่เป็นผู้สุกพ้นจากความสุกเห็นมันทุกข์กกไม่เป็นผู้ทุกข์พ้นจากความทุกข์ เรามองโกรธไม่เป็นผู้โกรธเพราะมาจากความโกรธที่คือเจ้าของมีสติร้อยเพื่อเชนเวามันโกรธมีสติไว้โกรธเวลามันทุกมีสติไม่ทุกใช้สติของเราทีว่าดูแล <c oughs> ดูแลตัวเองจนไม่มีภัยชีวิต ท, ที่ไม่มีภัยชีวิต ท, ที่ไม่มีภัย เรียกว่าอาเลีบุคคลอรเยะก็เป็นคนอาเลียบุคคลก็เป็นครว่าเจ้าโยมได้เป็นพระสงฆ์พระเรียเจ้าได้เป็นเจ้าวาก็เรียว่าพระอธิการได้เป็นเจ้ากคณะ ผู้ปกครองต่ำบลก็ไดกเจ้าคณะต่ำบลหรือว่าเจ้าอธิการแต่ถ้าเป็นพระจะพระธรรมดานถ้าเป็นผู้รับผิดชอบแล้วเจ้าอธิการจาววาเจ้าว่าดหรือเจ้าที่การให้เปลี่ยนชื่อ เป็นอาพาเจ้าอธิการพระอธิการเจ้าอาวาสแปลว่าพระอธิการเจ้าระดับตำบลว่าเจ้าอธิการเจ้าระดับอำเภอเจ้าระนัังหวัดชีวิตเราก็ควรจะเปลี่ยนให้มีสิทธิขี่ขาดตกครองตัวเองให้อยู่ในความสงบลมเย็น จึงมนเพิกขานกันตรงที่เหมือนหลงไม่หลงนี่แหละตัวการมันก้าแรกก่อนที่จะเห็นภาวะที่หลงตรงมีภาวะที่รู้เป็นหลักเช่ก่อนมีสติสังวชั ญ, ญาเป็นหลักเั้นราเมตตาเลืนไว้ก่อนอะไรผ่านมาเห็น เราเดินไปได้เห็นเห็นสิน่งที่อยู่ข้างหน้าสิ่งที่อยู่ข้างหน้าที่เราเดินไปก็ไม่ใช่เขาโรยดอกกุหลาบสมัยปลายใส่ผ้าพรมผู้เสือไว้ไม่มีในโลกมีภาวที่ตาก็เห็นนะันล่วงข้ามเอาอะไรที่ไม่ดีแล้วเราก็บูดพดไม่มีใครพูดต่อ สติจะยิ่งกล้กว่านั่นเห็นอะไรที่มันมาทางใดก็เห็นถ้ามีสติมันจะไป็นคนละอา่านถ้าเห็นเนี่ยมันจะมันจะใช่ได้ถ้าเป็นหลัใช้มาได้มันทุกเห็นมันทุกแค่ได้ถ้าทุกไม่เห็นทุกอย่างใช้มาได้มันไม่มีตาไม่สำเร็จประโยชน์ เห็นหลงเห็นหลงท่านรู้ว่าไม่เห็นเป็นเห็นก็เป็นคนละอันกันถ้าเห็นเราก็ไม่ทางหลดพ้นเห็นงูก็พ้นจากงูถ้าไม่เห็นก็ถูกงูกัดก็เห็นือยทุกข์ก็พ้นจากทุกข์เพราะทุกข์มันไม่ใช่ ไม่ใช่ชีวิตเราแต่ว่าที่เห็นนี่เป็นชีวิตเราเราดูแลไม่สุติเอาพ้นไา<ป>จนชั่ไม่จํนานนี่คือหลักปฏิบัติอย่าไปเอาความเชื่อตามทำกันมาอย่างที่เราวดวจอเลามาสูตรให้เชื่อว่าถึงนี้ เมื่อมีแล้วเป็นทุกข์เป็นโทษเมื่อคิดเรื่องนี้มีทุกข์มีโทษเมื่อพูดเหื่องนี้มีทุกข์มีโทษเมื่อทำเรล่อนี้มีทุกข์มีโทษอันนี้ก็ควรไม่ทำควรไม่คิดควรไม่พูดถ้าเฉยนี้ประโยชน์ก็ควรทำทีนี้เป็นไม่มีโทษควรพูดควรบอกกันอย่าชวนกันผิด นี่ให้เชื่อแบบนี้ความหลงอย่าไปเชื่อความไม่หลงให้เชื่อความไม่หลงความทุกข์ก็อย่าไปเชื่อมันให้เชื่อความไม่ทุกข์ความโกรธก็อย่าไปเชื่อมันให้เชื่อความไม่โกรธอย่าจนตรงนี้ก็ไม่จนตรงนี้ก็ไปได้สัมผัสดู การเชื่อเนี่ยมันต้องสัมผัสพระพุทธเจ้าเคารพพระธรรมพระธรรมเคลื่อนลาความหลงเป็นอธรรมความไม่หลงเป็นเป็นธรรมความโกรธเป็นอธรรมความไม่โกรธเป็นธรรมพระพุทธเจ้าเคารพอย่างนี้ผู้ตุโชนไม่เคารพไม่หลงก็หาเรื่องให้มันหลง มันก็หลงอยู่แล้ววัตถุกรรมคุณตาหูจมูกดลี้งกายใจรูปรสเสีย ง, เ, ยงเป็นคู่กันมันก็มีวัตถุมีอาการในรูปในนามนี้วัตถุคือแผ่นดินในแผ่นดินนี่มีต้นหมากลากไม้มี สิ่งที่มีพริบในโท ษ, โทษเกิดขึ้นอยู่วนแผ่นดินแล้วก็รู้จักเอาประโยชน์จากแผ่นดินที่มันมีคนมีประโยชน์ชีวิตเราก็มีวัตถุชนี้ เราก็ได้วัตถุนี้แหละเป็นเป็นเรียนรู้ในตาในหู จ, จห ม, มูกด้วยร่างกายใจในรูปเป็นรถเป็นจิตมีเสียงสัมผัส ด, ดูแล้วมันบอกเราความเท็จควงมจริงอย่างไรความหลงความไม่หลงต่างกันอย่างไงความทุกข์กับความไม่ทุกข์มันต่างกันอย่างไงไม่ต้องถามใคร หลงเป็นไงไม่หลงเป็นไงตรงนี้ต้องต้องศึกษาถ้าไม่ศึกษ า, ก, ษาก็มืดเรียกว่าปุถุไป ว, ว่าหนาปุตุชนก็ศึกษาเรือ่องการละยานปุถุชนถ้าศึกษาอีกอาเลียชน อาเรียบุคลคล<น>เลื่อนฐานะจากความแมนค น, คนเป็นกัลยาณนะกุตุชนเป็นอาเลียช น, นเป็นอาเลียบุคลบคลทุกคนต้องร่มโต้หนกเองนับถึงจากตัวเราเนี้ยก่อนถ้าหลงเป็นหลงมัน ไม่ปไปเสด็จลอยๆชีวิตของเราเนี่ยทุกเป็นทุกไม่ใช่สัตว์ประเสริฐประเสริฐตอนที่หลงไม่หลงเนี่ยการลังจะเป็นมนุษย์ทุกไม่เป็นทุกเนี่ยมันยังอย่าเป็นสัตว์ประเสริฐเราให้ใส่ใจตรงนี้จารให้เป็นการบ้านเอาไว้ มันมีอยู่ในความหล ง, หลงเป็นงานของเราอยู่นั่นแหละได้ไดศึกษาตรงนั้นได้บทเรียนตรงนั้นเอามาเป็นการบ้านไม่ต้องถือตำหรับตำลามีอยู่ในชีวิตเราแล้วสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์ก็มี เดีย๋ยวถ้เกิดทุกข์ก็มีความดับทุกข์ก็มีวิธีปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ก็มีมีอยู่ในที่เดียวกันมาเพิ่มกันความหลงมาเพิอมกันกับความไม่หลงความทุกข์มาเพิ่มกันกับความไม่ทุกข์ความโกรธมาเพิ่มกันกบความไม่โกรธจะชน ถ้าเราไม่หัดมันจะจนถ้าหัดเราไม่ต้องกลัวต้นรับอย่างสง่างามเหมือนคนมีความรู้เดินเข้าศึกษาที่ใดก็โชว์ได้เตดพันดีคนที่มมนมีความรู้ก็เป็นบ่มร้อยตอนนีก็เป็นวิชาการ แต่ปัญญาที่มีอยู่ในชีวิตเราเนี่ยมันเดือดรู่จากกองสังขารคือกายสังขารจิตตสังขารเนี่ยโลกรู้ทั้งหมดมันคืออะไรเกี่ยวข้องกับมันหรือไงเกิดเจ็บเจบตายเป็นอะไรอันไม่เกิดไม่เจ็ไม่เจ็บมาตายคืออะไรก็ไม่ทุกข์มันอย่างไรความทุกข์เป็นอย่างไรจบหมด เกียนให้มันจบแต่ว่าสถาบันชีวิตก็มาจบแล้วก็ไม่มีค่าอะไรเกิดมานเนี่ยพ่อแม่เราอาจจะเรียนไม่จบงอบให้ลกูกเหยิงลูกชายโจทยต่อไปให้มาเรียนเรื่องนี้เป็นการหนี้ริงๆชีวิตเราเพื่อการหนี้โดยตรงไม่ใช่เรื่องอื่น เมื่เราทำเสื็จแล้วจึงลูกอะโอ้นี้นะเป็นธรรมชาติที่สร้างมนุษย์ไว้แต่พ่อแม่เราก็มีลูกมีเต้าสร้างไว้ให้ต่อกันมาเพราะแม่อาจจะทาไม่ได้เรานี่เราจะต้องเป็นผู้ที่สืบสกุลเรื่องนี้ให้ได้ให้ถึงที่สุดมันจบชีวิตเรามันจบจะมีคนเวตคาชมกับพ่อแม่เลี้ยงเรามาให้มาลูกเรื่องนี้ ให้มันจบจริยงเชียงซะเชียงที่เขาทุกข์เราไม่ต้องทุกข์เชีงที่เขาโกรธเราไม่ต้องโกรธเชีงที่เขาหลงเราไม่ต้องหลงนี่คือมันจะต่างกันตรงนี้ชีวิตเราก็าอยากจะบอกกันตรงนี้ก็มีส่วนร่วมตรงนี้ถ้าเราทุกข์ คนอื่นในโลกนี่ไม่ทุกข์เหมือนเราทุกข์ก็มีสิ่งที่เราทุกข์คนอื่นเขาไม่ทุกข์สิ่งที่เราหลงคนอื่นเขาไม่หลงไม่ใช่หลงไม่ใช่คนทั้งโลกหลงเหมือนเราทุกข์ เ, กเหมือนเราโกรธเหมือนเราหลายคนอาจจะไม่หลงอาจจะไม่โกรธอาจจะไม่ทุกข์แล้วตั้งแต่สมัยพุทธกานงลดมา สองพันกว่าปีมาแล้วเรื่องเนี่พิสจน์ได้วส่อผัดดูไม่ไม่ไม่ไมลบเลือนไปไหนผู้ได้เห็นธรรมผู้นั้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้นั้เห็นพระธรรมคือคุณภาพชีวิตคุตทะคือคุณภาพชีวิตที่ประเสริฐ มีอยู่กับทุกคนนักสอนจนาบางบางคำสอนเขายังบอกบางเสียงทุกเสียงเหมือนเสียงพระสวดมนตดูคนทุกคนเหมือนพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนมีนิพพานอยู่ที่ด้านง่ายๆแบบนี้ม่นจะยากอะไร ตอนนี้เขายังไม่เป็นพระพุทธเจ้าผู้นี้เขาอาจจะเป็นพระพุทธเจ้าเราจึงไม่ควรเบียดเบียนกันครัก่อนผู้นี้ไม่เป็นกับเดือนหน้าเดือนหน้าไม่เป็นกับปีหน้าถ้าปีหน้าไม่เป็นก็อาจจะชาติตั้ง <c oughs> ถ้าเป็นเลยมองไปไกลๆแบบเนี้ไม่ไมเบียดเบียนกันได้ถ้าเรามองคนทุกคนเป็นพระเจ้า เสียงทุกเสียงเหมือนเชียงบ้าชดมนพราหันบางโลกได้ยินโสเพณีร้องเพราะโลกโลกโลกโสเภณีโสเภณีเกิดโลกร้องโงมร้องห้อยระกันลังปฏิบัติอยู่ในป่าได้ยินเสียงก็เลยใส่ใจเป็นทษเป็นโทษ ได้บรรลุธรรมลอยเสียงทุกเสียงเหมือนเสียงพ่าชวมนแต่ว่าเป็นทุกเพราะการเก็บเลยจะต้องเป็นทุกข์เพาเก็บเหมือนเขาหรือเหมือนทำได้ไหมหัดตนสอนตนตวนต น, ต น, ตนแน่นอนที่สุดเกิดเจะเจ็บตายอยู่่งอยู่ทุกคน หัดข้ามนักแต่มันหลงเปลี่ยนหลงเป็นไม่หลงเนี่ยเปลี่ยนทุกเป็นเป็นทุกเห็นง่ายเห็นไม่เป็นนั่นแหละทางไปเนี่มันหลงเห็นมันหลงไม่เปลี่นผู้หลงอันข่มหลงเป็นอันหนึ่งนันภาวะที่เห็นเป็นอันหนึ่งสังผัดดูดีๆแต่ว่าไม่เปลี่ยนเนี่ยแต่ว่าไม่เปลี่ยนเนี่ยไงล่ะ มันก็เลยใหญ่โตไปเรื่อยๆยิ่งใหญ่อำนาจสูธรรมชาติขึ้ื่นสูธรรมชาติไม่มีอะไรยิ่งใหญ่เท่าธรรมชาติก็ไปตั้งแต่เนี้หลงเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงทุกเห็นมันทุกไม่เป็นผู้ทุกถ้าไม่เป็นผู้ทุกก็พ้นจากทุก ต้อนรับได้ทุกอย่างในโลกโลกมันจะมีรถจีรถจีชาติเกิดขึ้นกับชีวิตเราเลยต้อนรับด้วยภาวะจนขนงอย่างเรียบๆบ้านมิตรภาพทางมิตรภาพจากขอนแก่นบ้านไผ่ตื้อเจ้าหน้าเวลารถวิ่งไม่เกิดเพื่อมเลย นั่งรถไฟ ป, ประเทศจีนนะรถไฟอะไรเหมือนกันนั่งอยูเฉยๆอันเรียบรถไฟว่าเรารถไฟประเทศจีนเนี่ยเรียบไหลไปเลยอือชื่อมองเราจะโน้ดพาไป ชั่วโมงละสองรอยกว่ากมวิ่งเร็วมากชั่วโมงได้สองรอยกว่ากมด้านเราเนี่ยชั่วโมงหนึ่งต้องเจ8ดสิบแปดสิบกมอย่างมากชีวิตในเมืมันเรียบเป็นเห็นไม่เป็นเรียบที่สุดเลยไม่กระทบกระทือน มันต้องเป็นชีวิตแบบนี้ไม่ใช่อยู่ในไม่ใช่อยู่ในชีวิตเราไม่ใช่คลื่นชีวิตควรจะเรียบะไรที่มันเรียบมั น, ม, นมันชอบเหมือนเราสองเงาในน้ำเราโกนผมไปนั่งอยู่บนกระดานในน้ำ น้ำหนึ่งสองคนถ้าน้าํากระเพื่อมมันก็ไม่เห็นชีวิตที่มันเรียบๆ เ, เนี่ยมันเห็นเราจึงมาดูเนี่ยทําให้ชีวิตเรียบมีสติหัดถ้าไม่หัดไม่เป็นแนละ้วไม่ใช่เรียนรูนะ้แล้วฝึกหัดหัดได้ทุกคนเป็นได้ทุกค น, น, กคนมีให้สิ่งที่เราหมิง มีสิ่งที่เราให้เราหัดเกิดขึ้นที่กายที่ใจเน่บทเรียนจากนน่ปัญหาจานนี่แค่ปัญหาที่จบก็จบตรงนี้เหมันพูดเจ้าว่าตรัดว่าเห็นรื่องนี่จนออกจากจนออกพระโอษฐ์ออกมาจะโพรดงแต่ก่อนเราไม่มีความรู้ย่องรู้ เราได้ล่นท่งเทีย่ยวเราได้เล่นท่อเทีย่ยวไปในสงสารเป็นอเนกชาตินับไม่ถ้วนแล่นไปทางกิตทางวิญญาณแล่นไปมันเคยติดมาเรื่องใดก็ไปกับเรืองนั้นอดีตก็ไปอนาคตก็ไปแล่นไปในอารมณ์ต่างๆกวามรักความไม่พอใจความพอใจแล่นไป แบบนี้เรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าจะทําอะไรให้เราพม่ไอีกแล้วเราสังขัรของเจ้าเราลือเสียแล้วโยอดเดินเราหักเสียแล้วไม่มีอะไรพรงแต่งเราได้อีกแล้วสิ้นแล้วสิ้นพวกสิ้นชาติแล้วถึงที่สุดหมายปลายทางแล้ว ออกจากผู้วชเขอหงอคขั้แรกที่สุดในวันตัดจารูก็ก็มาคิดจะสอนใหรจะสอนใหรนั้นเป็นอย่างไหนชีวิตจริงๆมันเป็นอย่างนี้นนี่คือสัจธรรมธรรมะอยู่ในคนที่มีกายมีใจคนยังไม่ตายเนี่ยก็พลิกมือขึ้นรู้สึกก็อชไตา ยกบุกขึรู้จึกเชื่อได้วางมือลงรู้จึกว่ามือลงรู้สึกเชื่อได้ต้องประกอบไม่ใช่คิดรูกออก้เอาอะไรมาประกอบเพื่เกิดความรู้หัดไปบงังหัดขีดแัดเขียนหัดำำํานําหัดท่องจําภาษาธรรมะไม่ใช่หัดท่องจาภาษาหนังสือขียนรู้เรียกว่าภาวนา ก็ใช้ชีวิตที่เรื่องนี้เรื่องอื่นในคนอื่นทำาปวัดในประเทศไทยส0 0หมืนกว่าวัดที่เป็นวัดป่าประมาณเก้าพันกว่าวัดถึงเวลาแล้วเลยยังไม่ถึงขอเจ๊งหน่อยเลยไหมสองหมืนกว่าวนะัดเนี่ย ชีวิตเราพระสงฆ์แล้วพรร า, าปราณสามแสนลูกนะเออเราเสนอเราสักชีวิตต่างๆชีวิตที่นี่คนอื่นอาจจะพูดเรื่องอื่นบางก็เราขอพูดเรื่องนี้ตอนเช้าตอนเย็นช่วยกันมาหา ร, ร่วมกันโศตาร่วมกันลองดูจะเป็นยังไง สุดลองโดนอนหรือเกินคำสอนพระเจ้าเลยเอาชีวิตเราแรกเขาเลยจะดีไหมสักชาติเนี่ยนะเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีพูะเจ้าถ้าวิชนันผู้ใดเจริญสติปัฏฐานอย่างต่อเนื่องมีความรู้อย่างต่อเนื่องเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีก็ใช่ที่นี่ ให้เป็นเรื่องเก่งจังลองโดโอเทียงไม่หมาขอให้มาลองโดวิสวดลองโดอย่าไปเชื่อค่ะเอาชิบมาสัมผัสออกเจ็ดเดือนเจ็ดวันเจ็ดปีลองโดจะเป็นยังไงแต่ต้องทําจริงจริงทำจริง ๆ, มงๆไม่ใช่ไม่หลับไม่นอนนะลองลดอูดูได้อริทุกอริบทนอนอยู่ก็ลู่ได้หายใจก็ลู่ได้ ทองจำเหมือนเราท่องหนังสือท่องอเปลี่ยนนักทองท่องทำไวจับทงปอดเต็อ ok, อตมอกทำใบใหม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ติดตเอเมจุดต่างเอกลงสมยังพะกบ้าพาราเซออีซิปตนาำมาเลยกับใครเย่เมื่อที่แรกว่าไม่ติดมันไม่ขินนั้นยังไม่ชานาญ ว่าไปว่าไปว่าไปว่มันติดปากเคยท่องหลอกูตดนักทองนังแต่เป็นเนนแล้วก็ว่าไปไในมันหยัดต้องสัตว์ไปจากนี้เฉยๆก็เลยขล่องเดี๋ยวนี้ยังติดอยู่ไม่เลืมนี่ในมันเกิดจากอะไรบ้างผิดตรงไหนรู้อยู่จน่อยไม่เลืม พอเห็นล่วพอมันจะผิดลูกข้อไหนมันผิดอะไรลูกข้อไหนหวบนไปอวดผู้เขาทองเห็นล่อเกียนตากฝนอยู่ผิดไหมเนี่ยผิดไปไหนเนี่ยพิสืจโอเชียนตังตั้งไปที่กลางแจ้งไม่เก็บเองก็ดีไม่มอบหมายเพื่อนก็ดีต้องเอาบัต วัวไปเห็นกัดเราวกลมหรออ๋อว่ากลมก็เป็นเป็นวัวเป็นควายสักหน่อยได้ไหมแ้วว่ากลมยกแยะขึ้นโหนหรอเอาเข้าวลงเราลู่วี่ไหนเราจึงรักษาเจงของสงฆ์ให้ปลอดภยัยอะไรที่ไม่ถูกต้องพระเจ้าวางวีไหนไว้เราต้องจําเราเคอมาทําดูดต้องจําได้อามาทํา มารักษาไม่ใช่ท่องจำได้ไม่ดูไม่แลแลลวชีวิวตเราที่เราได้ปฏิบัติท่องจำกับผมรู้สึกได้นะั่นจะลืมได้ไงเพราะจะให้ลืมให้โกรธขมขื่นด้วยทําไม่หลงแต่ให้ถูกกระทุกขคขมขื่นตัวเรางั้นทาไม่ได้นไม่ถูกต้อง เห็นอะไรที่มันผิดไม่ไม่ทำเด็ดขาดชั่วไม่ทำหลีทำไปใจไม่คิดขอใช้ชีวิตแบบนีต้ตาชั่วไม่ทำแต่ดีทำไปแต่ใจไม่ ย, ออมยึด ต, <iform S 1> ต, ติดเอิหมดแค่นี้คือเราขอทำความดีมันก็สั้ น, น, นชีวิตเนี่ยไม่มากให้คนอ <ทำ S 2> ื่นทำไป นะอนนันก็ขอสนับสนุนทุกท่านที่สนใจเรื่องนี้พวกเราคือนี่สุกโตขอเป็นมิตรเป็นเพื่อนฝากผีฝากไข่อยู่เลกกันตามสภาพไม่ป่อยกันไม่ทอดมาที่งกันใครเป็นไรเดือดร้อนอะไรบอกนี่มีเจ้าว่าจามสาร หลองจะว่ า, า, ววาอาจาย์โนดผู้ช่วยจะว่าทนตุ้ยอาจานต้งกบผู้จัดการใหญ่ๆทัท่วๆไ ป, ปเร่นีหลงตาก็อาศัยเพื่อนมิตรอยู่อาศัยได้จริงๆนี่กัญยาณิมิตนี่โอ้ประเรสริสดประเสริฐจริงๆนะเพิ่งพาอาศัยอุ่นอกกอุนใจ สังขาวเจ็บป่วยกว็พึ่งได้จอนโนดจอนต้องจับมือไม่หวังนอนอยู่แล้วค่ะเอะอเวลามันจะขาดห ม, าหมดแล้วหมดแรงแล้วเอามื อ, มอเกากระดานอนเตืองขึ้นมาคิดอยากเติมน้ำอยากมีน้ำสักหน่อยมาหยอดคอมันหมดแล้วมันแห้งหมดกีโมมันค่า หลังสีมันค้าแห้งหมดไม่หมดโอ้ยถ้าได้หน้า ม, มารดอดคอสักดอยจะดีนะพูด ไ, ออไม่ออกอือเหรอออก <c oughs> ็่อไอ้น้าเนยหยอดขอที่หลอดก็ไม่ได้คิดว่าาหยอดมากไม่ไหวมีความรู้น่าจะมีหลอดให้น้องไดดอดดเจ้าหน่อยอะไรที่มันดูดได้ อาจารย์เติมบอกเอาหลังนกให้ดูดดูดก็ไม่มีลมนะมันหมดแล้วไม่มีหรอกไม่มีลมเนอะหนะึ่ไม่มีลมลูดค่อยยามตัง้งใจอาจารย์เติมก็จอดเทใส่แก้วไม่ได้มีหลอดนะให้ดูดแต่แดงได้เดี๋ยวจะเอาช่อตักนะั่นแหละตายเลยนะเต่านั้นนะ่ะ อาจจะยีหลอดได้น้อยกลัวจะหมดกองนังเนเกือบหนังหลานที่สุดค่อยๆเพี้ยนใช่เรื่องก็จับใส่ปะค่อยๆสนุกนะโอ้ยสนุกสนานเฮ้ยปวดว่าสนุกปวยจริงๆนะสนุกอาจบทันทีนะ